ในช่วงคุยธรรมะกันวันนี้อาตมาพระไพบูลย์ก็ได้รับคําถามจากท่านผู้ฟังบางคนทําไมเอ่อคนที่ไป 2-3 เท่าของผู้ เอ่อผู้หญิงนี่ก็ 2 เท่านะ 3 เท่าด้วยบางครั้งแต่มากกว่าผู้ นะคู่ผู้หญิงมีนิดเดียวนะมีแค่ไม่กี่ห้องหรือว่าแยกกันไปเนี่ยก็ ร่างกายต่างๆมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะผู้ชายไม่สามารถทําบางอย่างที่ที่ผู้ชาย ก็ยังไม่สามารถที่จะมาสู่คลองแห่งได้นะอีกปรุต 3 นะต่อเมื่อ ในในสมัยปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะโลกมันมีการหมุนไปในทางที่จะเสื่อม ในช่วงที่อายุมนุษย์ลดลงมาเนี่ย 1 ปีทุก 1 ปีอันนี้อัตรา 80,000 ปีมีๆลดลงมา นะจนค่อยๆลดลงมาเอ่อในช่วงนี้ก็จะมีพระพุทธเจ้ามาทูลกระแสไปทั้งสิ้นนะ 20,000 นะปีก็มีพระพุทธเจ้าองค์นมตรัสรู้นะ 1,000 ปีก็มีพระ 4 แล้วนะสมัย 100 ปีแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ธรรมดาที่เอ่ออะไรเรื่องอะไรต่างๆมัน ในระดูเอาดูแค่ 10 ปีผ่านมาโอ้โหกองกินกันมันมากขึ้นจริงๆนะคนเบียดเบียนกันมากขึ้นจริงๆนะไอ้เรื่องชั่วช้ารามุก ในที่มีจะมีแต่ความเสื่อมไปข้างหน้านะจากขนาด 100 ปีเนี่ย 10 ปีคําถามคือทําไมอายุมนุษย์มัน นะพอวงโคจรโลกเปลี่ยนแปลงไปฤดูปีเดือนวันพวก แต่ตอนนี้เป็นเหตุที่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเจ็บอ่ะนะ 20 30 ปีที่ 50 ปีที่ผ่านมาที่ผ่าน 2 เท่านะ 50 ปีที่แล้วที่แล้วโอ้มันๆมัน มีวิญญาณขึ้นได้หรอมันก็ก็ไม่ไม่ได้มันก็ต้องเป็นไปตามที่ เอ่อไม่ดีมากขึ้นแล้วเราไปหวังเลยว่าอะไรมันจะดีขึ้นมาเนี่ยนะมันมันยากเอาแค่สุขภาพของเรานะเอ 90 ใส่ยาอะไรลงไปมันก็ อ่าผมเนี่ยนะนั่งไปก็ปวดเข่าปวดก็หายแล้วมันก็ปวดเข่าข้างขวา 80 กว่าแล้วก็เรียกตาว่า เราจะทําจิตเรายังไงให้มันยังผาสุกอยู่ได้นะพุทธเจ้าเตือนไว้แล้ว เราจะทํายังไงแล้วเราจะทํายังไงให้ๆเหล่านั้นเนี่ยตอนนี้ยังที่มันมาถึงคือสุขใจอยู่นะกายเจ็บปวดเราก็แก้ไปตามเรื่องตามราวคืออันนี้ไม่ใช่ไปแต่มัน เนี่ยคนจะตายเนี่ยก็ไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอให้ยาเพิ่มความดันนะยาๆเหรอถ้าผมฟังให้เท่าไหร่มันก็ไม่เต้นให้นะ ใจของเราเนี่ยนะแย่นะมีอกุศลธรรมปวดคิดบ้าเรื่องไม่ดีโผ่งเลย <c oughs> เราอย่าไปแล้วทําไงมันเจ็บก็ทําไงมันปวดทําไงมีคนบดด่าทํา ทับถมไหลไหลบ๋ามาจนกระทั่งบางทีมันอุ้ยมองไปสบายอย่างน้อยในภายน้อยๆที่ นะ and ไอ้กายของเราที่มีหนังหุ้มอยู่มีสร้างบุญให้มันมากขึ้น นะคุณอยู่บ้านบุญทำยังไงเรียกสร้างบุญคุณอยู่บ้านคุณจะด่าแม่ด่าลูกเอ้ยไม่ด่าไม่ด่าไม่ด่าแต่แค่บวก 1 นะ, แต่เพราะอะไรตรงนั้นเป็นจิตที่เป็นกุศล นะคือตอนที่มันยังไม่มีอะไรมาไหลบ่ายังไม่มีอะไรมาท่วมทับ ไม่ว่าเค้าอดทนอยู่แล้วเนี่ยเป็นการเพิ่ม 10 นาที 20 นาทีได้มั้ยนะไม่ได้ทําเพื่อพระพุทธเจ้า นะมีตามีหูมันไม่เห็นมันไม่ได้ นะคือเหมือนกับเรามีบ้านหลังนึงเนี่ยถ้ามีโจรมายึดบ้านของเราเนี่ยโอ้โหมันไม่ดีแน่เราต้องไล่โจรนี่ออกไปแล้วเพราะฉะนั้นไอ้เจ้า เราทำอย่างงี้นะเราก็จะสบายใจนะเรื่องเราอันใดจะๆมาครอบก็ให้มีความ เราค่อยพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าอาตมาพระไพ่